เซคะปฏิปทาสนธยาธรรมิกถาวันที่สิบห้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องอริยวัติธรรมห้าตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเว้นบาปเลยแก่เอาบุญโยแต่ันี้ทั้งบาวทั้งบุญมั น, ม, นมันเป็นด่าง ทายาใจแก้ใมัดีกว่านั้นมันต้องเอาทั้งบาปมันต้องเอาทั้งบุญจึงบอกว่าสัจจิตตะปริโยธาปนังเอตังพุทธานาสาตนะชาวลัดจิตของตนให้ขาวรอบให้ฝ่องใสไม่ต้องติดอยู่ในด่างบุญด่าบาปเมื่อนั้นก็จะปริยนิพพานนู่นประวังพุทธาสนาไปที่นู่นแต่นี้มันจะต้องไปเป็นไ ป, นปนโดยลำดับถ้าละชั่วกระทำดี ดีมากกว่าชั่วกว่จะกลายเป็นการัญชนการัญพุทุชนปุทธชนที่มีกิเลณหนาะแต่เป็นคนงามคนดีแต่ถ้าละบาปละบุญละบุญไปด้วยได้พอสมควรละบุญละบาปไปหมดละบุญไปด้วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นนักศึกษาฟังให้ดีนะเป็นเสข่วบุคคลอันดับต้ม อ, อันดับต้น ถ้ารับบุญระบุญระบะบาปอย่างไม่หมดจะ ต, ต้องเกิดร0อ1เ0อร์ซพันซถ้ารับบุญไปได้ 25% ละบาปรบาก็ไปได้ตั้งเจ็จะเป็นนักศึกษาระดับต้นคือระดับโสดาวันพราโสดาวันจะเกิดได้เจ็ดเจครั้งเป็นอย่างชา้าเพราะจะมียางอยู่ประมาณสัก ถ้าลักไปได้ห้าสิบเอร์เซนจะเป็นนักศึกษาอันดับสองสกิทาคามีโบคอนจะเกิดอีกได้เพียงครั้งเดียวสกิ้งแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียววันลีเธเนขึ้นมาทีเดียวพรังบา้าทีนี้ถ้าละอย่างนี้ไปทั้งบุญและบาปไปหมดสิ้นไปได้เจ็ดบห้าเอร์ ในงฤยยียี่ห้าจะไม่มาเกิดในโลกอันนี้เป็นนักศึกษาอันดับสามเป็นเซกขบุครอันดับสามชื่อว่าอาณาคามีอานาอาณาแปลว่าไม่มีอาคามีไม่มีการมาสกเสแสนานลีเทินเนอรเมื่อคืดมาตายปับ๊บพูน ไปข้างอยู่กระแสะข้างบนอธโขขามีสังขังคล้องอยู่กระแสะข้างบนแล้วก็พัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปต่อไปอเวหาอปปัปตาสุทัศน์สุทัศกานิษาเลื่อนระดับขึ้นมาเรื่อยๆเที่ยสุทาวาทห้าก็ไปจบที่โน่นเป็นเพราะอาหารดับสะพานขันนิพพานที่โน่นเมื่อกลับขึ้นมาเมื่อไปถึงเมื่อจบก็หมดด่างทั้งร้อเอร์ซต มันมีการกลับขึ้นไหมนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าพัฒนาคุณธรรมระดับหนึ่งขึ้นมาจะกลายเป็นนักศึกษาที่แท้จริงทีนี้เราเราเราตระวัดดูนะ้วันนี่นะว่าเราจะเป็นนักศึกษาจริงไหมถ้าเราลัง เ, เป็นไม่ได้จะเป็นอะไรเป็นผู้เตรียมศึกษาการเรามาสวดร้องข้องบน จบประโยคน์เ้าแล้วก็ยังไม่ได้เป็นนักศึกษารนะครับผู้เทศนาถ้าไม่ถึงโซตับปฏิยัญขะไม่ไม่ไปถึงพระโซต บ, บันโซต บ, บันที่ชื่อว่าเสขาบุคคลอันดับต้นได้เป็ น, นเพียงผู้สิกขาบคุคคลสิกขามันเป็นเรื่องภายนอกจะไม่ซึมซาบแต่ใส่เอเขานเป็นเรื่องภายในะคือซึอมซาบลงไปจึงเรียกว่าเสขาแปลงเอเป็นอี ผู้ยังต้องศึกษาระดับต้นระดับกลางระดับปลายจนเพียเป็ น, ป น, ปนพระอาหารหันต์หรือว่าอาเซฆาบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเลยจกทีนี้เราก็ถามต่อไปปะต่อมาครั้งนี้เราจะได้เป็นนักศึกษาไหมข้อเลือกข้อตอมันอยู่ตรงนี้ตอนที่เราสอนมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทําบุญและบาปใ ด, ดในโลกนี้แล้ว ตันหิตะสะสกังหติตันจะอาทายะฆาชิติบุญและบาวนั้นแลงจะเป็นของเขาของของเขาผู้นั้นโดยแท้สกังโหติอาทายะขาชิติสกังโหติของเจ้าแท้แท้และจะต้องถือเอาบุญบาปนั้นไปแล้วจะทํายังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้ข้อย่าวว่าอิทิยาบาผุกพิเกเวบุริษัทสวา นายังกาโยอาถายะจิตตันตโรอาญาโมโสเอวังปชาณติกพิส้งหลายกายนี้ไม่มีส่วนใดอันบุรุหรือสติจะพึงเทื อ, อไปได้อาถายะนานาจังกาโยอาถายะคชาติไม่มีส่วนใดใเลยที่เขาจะาไปได้ด้วย แต่สัตว์ผู้ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาย่อมทราบชัดด้วยตัวเองด้วยด้วยตัวเองในใจนี้ได้จิตตันตโรอาดังมโจโสเอวังประชาณติเพราะจิตนี้เป็นเหตุสัตว์ผู้ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาจะทราบชัดเองว่าจินจิต ป, ปาปกกกมังกระชากาเยนะ กตังกัมมังสับพเพเวทนติยติบาปกรรมใดๆที่กระรากยนี้คือร่างการในโลกอนี้ท์บาปการนั้นเราจะไปพูดได้รับแน่นอนจะรู้เองว่าเลาจะตายคุ้งอไร้ปเสีตายเยี๋ยนึ่งบอกใหได้ตายโอายเราโมเดินไปได้ดอกแต่ยินยินเสิยดพออยู่ดอกเิงเด้ ทีนี้ตัวนี้มันจะเอาด่างไปคือเอาบุญเอาบาปไปถือไปจะทํำยังไงจะทำํำยางไรจรึงจะได้กําไร ห, หอมดอกลงด้วยแล้วเนาะบานแล้วดอกมันคมค่าอะไรที่เราตั้งประเด็นว่าปิดบัญชีงบทุนว่าจะขาดทุนหรือได้กาไรทุนก็ดังที่เล่ามาแล้วเราได้ทุนมาทุกคนเราจะขาดไหมถ้าขาดทุนก็มายคว่าไม่ต้องได้กําไรกําไรเลย ถ้าใดกำไรก็ไม่ตัวขาดแน่นอนทีนี้อะไรเป็นตัวกำไรฟังดูถ้าใดกำไรนี้จะเป็นนักศึกษาเบื้องตอน้นใดทันทีเล ย, ส, ยสัทธาสีรนะตจโยปวัตติจาเคนะปัญญายัสุเตนะจูไฟยังผู้ใดจะเดิเนด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาสะดับศึกษาในการเสียสละ โซตตาทิโสสัพพลิโซวิจักนองอธิยตะะิสารมิเทวะอัตโนมบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉลี่ยเช่นนั้นเย่เป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้นี่ก็คือกําไรอาธิยติสาลาสาระเปรวัคเคนสาละมิเทวะอัตโนแกคนสร้างชีวิตในตนเองได้โดยแท้ไม่ขาดทุนเลยแได้กําไรทำห้าประการนี้มีชื่อว่า อาดิยวัตทธรรมลองเขียนแล้วก็นับนับดูหนึ่งศรัทธาอะไรเียกว่าศรัทธายะสีเลยะสีเลนะใจยโยปวัตติปัญายะใาเคนะสุเตนะจุพยังมันานศรัทธาศีนสุตะ ยาคะปัญญาห้าประการนี้มีชื่อว่าอาริยวัตถ ธ, ธรรมฐานที่เป็นกําลังหกําไรแห่งหชีวิตหากบุคคลนั้นจเจริญเป็นอริยะชนอริยเจ้าพัฒนาตนทห้ไกลห่างจากข้าศึกความทุกข์กิเลสปัญหานโลกนี้และบุคคลพูดถึงพร้อมทำห้าประการแล้วสมบูรณ์เปี่ยมล้นก็จะกลายเป็นจตโตเจตตาโอจะภลิติตา จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลสี่ไม่อะไรก็อันหนึ่งแต่น้องคือคื อ, ค, อคือปฐมภะะเลธิตาตั้งอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในปฐมปฐมปฐมแห่งผลผลปฐมคือโสดาปริผลตัว น, นี้เป็นนักสึกษาแล้วเป็นเสขาบุคคลชั้นต้นๆเป็นนักสึ่อาเต็มตัวถ้า ม, ามันตั้งอยู่ตรงนึงยางไม่เป็น ก็คงจะเปลี่ยนได้กรฬยาณะปุรุชนยังเป็นคนดีอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้วเป็นอริยชนชัน้นต้นๆมันอย่างนี้ทำเหล่านี้เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพราะชีวิตนี้จะต้องจัดการกับมันรับผิดชอบต่อดชีวิตที่ยังเวียนว่ า, ายตายเกิดในวัฏสงสารเพื่อทำห้าประการนี้จึงต้องมาพัฒนาทีนี้ลองสอบดูก็ได้นะ ทำห้าประการนี้ถ้าตัดอีกออกอีกข้อหนึ่งตัดตัวสุตตะออกไปแต่เรือสีคือสทาสินจาคะปัญญาสีอันนี้เรียกชื่อโดๆโดๆว่าโดาโดเด่นที่สุดว่าโสตะปริยังะธารมทำเป็นองค์ประกอบให้บุคคลนั้นบรรลุทมเป็นโสดะบันถึงกระแสนิพันธ์ ถ้าตัวนี้สมบูรณ์แบบสี่ตัวนี้สมบูรณ์แบบแล้วตัวที่ห้าคือสุตะการฟังการสดับการอ่านข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกัเรื่องนี้ไม่สนใจเลยมันพร้อมแล้วแต่เมื่อได้สตาจะไม่ไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เพียงพอยังไม่เข้มข้นจาคะายังไม่กล้าปัญญาจะไม่แหลมคมพอไม่ได้ละมาตรฐานสตาศีล จะฆปัญญายังไม่ได้มาตารฐานตัวสุตะก็จะต้องมีบทบาทคือการฟังการได้สดับการได้อ่านการได้เห็นข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องๆๆเหล่านี้จําเป็นจะต้องมีแต่เมื่อใดศีลใ น, นมาตรฐานศรัทธาได้มาตารฐานจาฆ่าได้มาตารฐานปัญญาได้มาตารฐานสุตะก็ถูกตัดไป จะมีชื่อใหม่าโสตับปริยังคาทำจัดจัดตาโรจัดโซตับปริยังคาธรรมาท ำ, าทำสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบของผู้เข้าถึงโซตัของผู้เข้าถึงองคุณแห่งโสดาบังงานกระแสพระนธุ์ผ่านแล้วจะมีชื่อใหม่ตามมาว่าอาสาสับปตาธรรมาทำวันยังคู่นั้นให้เข้าถึงความเบกใจในวัฏฏะสองสาร มันจะได้ว่าไม่มีโอกาสตกนรกทาไรไหมมันจะได้ว่าไม่มีโอกาสจะต้องเป็นเป็ดมันจะได้ว่าไม่มีโอกาสจะเป็นอสุรกายไม่มันจะได้ว่าไม่มีโอกาสจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะได้ว่าจะโกลังโกละจากตระกูลนี้สู่ตระกูลนี้จากตระกูลมนุษย์สู่ตระกูลเทวดาจากเทวดาสู่มนุษย์มีเพียงเท่านี้โวกนี้ถ้าวินทํามสีประการนมั่นคงแล้ว ขีณาเนรยมหนารกสิ้นแล้วขีณปิติพิสยมหเปรติสัยที่จะต้องม า, มาเกิดมาทรมานทรกรรมสิ้นขีณติรชานิโยนิการที่ได้เกิดมาไปก่ำนายแห่งติรชานสิ้นแล้วนิยโตเที่ยงเถรซัมโพธิปรายนจนโนจะพึงบรรลุธรรม เป็นพระอริยเจ้าพระอาหารหันต์อยู่เบื้องหน้งนาเตวังอาธรรมมาที่ยังเตถ้ายังประมาทอยู่ช้าอยู่ก็ไม่เกินเจ็ดขังนี่ท่านถือว่าประมาณนั้นเนี่ยประมาณที่สุดของของโสตับปรีแดนข้าพกลจะเกิดได้เพียงเจ็ดขังเบ็ดด่างด่างเบืแห้งบ่ได้เกิดหลายเท่อด่างมันอ่ อ, อกอเลยได้นางเผาอยู่ตมีมันตีเด็กมานนางเผาอย่างได้เลยอไงถ้าเวดมูลหรือล่าท่านของเขาเรื่อง พอได้เบิร์ยังเรือหน่อยกัเกลือนหน่อยขาดบปรเปรเืรเ่ยกับเรเกิดปัจจุบันนี่คือกระแสที่นี่เราก็มาเที่ยวเราดูว่าเราเราจะได้ขาดทุนหรือจะได้กำไรมีไหมทํำห้าประการนี้เพิ่มขึ้นไหมซาทาเพิ่มขึ้นไหมมาที่นี่เจ็ดปันมาที่นี่ซาทาเพิ่มขึ้นไหมศีลพฤติกรรมทางการธรรมาจารเกื้อกูลไหม สร้างสรรค์หมอยู่กับมูรเก่าคณะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับชุมชนอยู่กับสังคมเมืม่อไปพิจารณาไผ่ไหมมั่นคงไหมจาคขปดปล่อยพัฒ น, นาการแห่งอารมณ์แห่งความทุกข์ออกไปได้ง่ายไหมปดปปล่อยความโลภความโกรธความหลงได้ง่ายไหมปดปล่อยบเบาได้ง่ายไหมมีนะมันมีแต่เราปลดไปล่อยได้ไหม จาระคเน่นต้องต้องเข้าใจนะแปลว่าสลัดออกจากโคสลัดทิ้งปฏินิสโคโสลัดคลื่นที่เราสวดทำมาจากและยังมหาหอยยังมาใส่ปริปริ ป, ร, ปริจ า, ะะ า, า, หหาระคกระจายตัดห่องผางปะป๊าออกเป็นบริจาคเขาจึงบริจาคมาจาก่าปริจา ร, าาารจาะสะลัดออกอย่างยิ่งสลัดออกอย่างยิ่งสลัดความยืดถือออกไปอย่างยิ่ง สลัดอะไรพราะเรามองมองเห็นว่าจะต้องบริจาคเงินใช่ไหมล่ะความจริมันหมายลึกกว่า น, นั้นคนยากคนจนไม่มีเงนินจะเอาอะไรมาบริจาคเอโสหิอริโยจารโคพิเก็เป็นยะทิทางสัพพปฏิปฏินิสขาพิกสู่ทั้งหลายจารคันประเสริฐอันเบอริยะนั้นคือการสลัดสลัดความยึดถือทั้งหลายออกไปสัพพปฏิปฏินิสขา สลัดความยึดถือทั้งปวงออกไปคืนไปปฏินิสขาเอาคืนไปสู่ธรรมชาติเมื่อดีคือที่วระตู้บริจาคเฮี่ยอะเถิดธรรตะเตอร์คนเนี่ยคนยังจะพาจาคุณอาจารย์ตู้บริจาคผมเฮียอมมเยยอเขามาลาตู้บรจาคผมไปเงินเต็มเนี่ยมั้งหวยต่ยังวตู้บริจาคพอจะไปเจยังขาเลยตู้บริจา ม, ม, นะมาว่าควรขึ้นทุขอขอสตบายขึ้นตั้งตู้บริจาคไว้วัด แจ้าของผู้บริจาคต้องรู้นะัต้องบริจาคเหมือนกันถ้าบริจาญก็ไปก็ไปซะแค่นรืน่งว่าบริจาคเครื่อกนั้นก็บริจาคเลยจาระ น, นี้สําคัญมากจะเป็นตัว ร, รู้ระบายน้ําเต็มแก้วนี้ถ้าเราเจาะรูข้างนี้ถ้าเราเจาะรูขนาดนี้มันจะไหลออกหมดมันจะเรือข้างอยู่อยู่เท่าที่รูมันยังไม่ถึงถ้าเราเจาะรูข้างล่างมันยื่ยงออกมาไม่มีเรือตัวขังไว้ในในแก้วเลย ตัวต่าคะจะไปดูระบายความทุกข์ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพลัดพากจากของรักของเจริญใจจะมีจะมีการระบายความทุกข์ออกไปได้ไม่ทุกข์มากเออดูดปัญญาเขามนุหมืนแบบโลกนี้เป็นอย่างนี้ชีวิตนี้เป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรตามใจใครไปไปตามให้ตามปัจจัยควรจะสวดให้มันได้ที่เราสวดมานะั มาที่นี่ควรจะสวดได้อย่างน้อยเสกขา้าพระพุทธาลุ่นนี้คงคงคงควรจะให้ได้สดูตรนี้หาท่าดีที่สุดเวลามีคนลงคนตายไปสวดที่บ้านพวกเราเป็นพระเขามานิมนต์เฟื่อะไรเขาไม่ได้บังคับเราจะต้องสวดนี้ได้คู่พระปฏิบัติด้วไหมจะท่านจะสวดบทนี้นะท่านนะเขาไม่ได้ว่ามาแล้วแต่เรา พอเวลามีงานคนตายเราก็ต้องประสชดอย่างนี้ก็บวรดีกว่าเลยนี่กุสลธรรมกุสลารรมวิะามายะกตาธรรมาสุ ข, ข า, า, า ย, ยาด้วเถิดนะธรรมปุริตาธรรมเจ้าได้เอาเงินมาโบฉันพังอยู่อจอดรูปวุ่นวับเสียประโยชน์เีเวลาขึ้นแต่คนนั่งมัมา่าพร้อมเพงรงแต่ตั้งนโมขึ้นดีดเดียวก็สาพเพสาตามลิสันตีมลนันตังหชีวิตังสับทั้งหลายทั้งสิน้นจะต้องตาย ส่วนสรนเมียเม่ีฟอสเฟนประสานเทงกันมันฟังแล้วคนหัวลุกเป็นปุ้มฟันเทนี้ก่อนมันยังได้ไหมพอได้ฟังแล้วคนลุกคนพองแล้วคิดคอบเลยเยจริงอย่างที่่นว่าให้มันประทับใจไปสวดแต่ละครั้งเป็นการเทศมู่เทศคนเดียวมันจะอายคนเนาะดึกคนบูมจะซอยกันแต่แต่ก็ปเอาค่าใครจะได้ อะไรโจ้หรือไม่แจ็คพูดสวดท่าผูา้เฝ้จ็คบอกอย่างยาดองก็เหมือนกันควรจะสวดให้ได้เอาสวดไปกอมลูกกอมหลานเทศมันฟเติร์นินเปนอนมันไงมันจะเป็นไปไปเจ้ามันจะไ ป, ไปหาดมกาวหากินดาบาเอาไปเปเทกอมลูกไปอย่างนี้เว็นมือกวยลูกุบทีละก่งสกล่งบ้มกันตลอดทั้งวันวาวนเากเอานีา่ยเรสวดกอมลูกกมหลาน แสดงทำลูกฝังให้หลานผมฟังเขาเป็นสายเลือดตั้งแต่เป็นนอนมันจือะไรได้บ้หน่อยหูหูหัวมันใสย่าอาตมาเนี่จำจำ ค, ำคำคำแม่กล่อมมาได้ตลอดเมื่อมาบวยเวลามานั่งสมาธิเสียงเสียงกล่อมของแม่ดังก้องก้องอยู่ในหูน้ำตาไหลกี่ถึงแม่มันจือะรหนังสมาธิมันจืรสิปีทปีเอาขึ้นมาจืมันคิดขึ้นหลัง นั่งสมาธิอยู่ดีๆนั้นตาจาดปับป๊บๆเป็นก้อนจุกค อ, ข, อขึ้นมาสะอื่นหงง ม, มาได้ยินเสียงแม่กล่อมแต่แม่ไม่ได้ก่อมดอกแม่ก็อยู่ที่บ้านเราไปอยู่นูน่ไนไกลกาดอยู่ในป่าเจ้าใหญ่มา้เจ้าไปบวชได้ยิงอยู่อันนั้นสินนั่นทำแต่จำนําคุณพ่อคุณแม่พ่อใดแก่ดึงขึ้นสวรรค์จืดเลยสร้างเป็นจีนมาจะหลอกแก่แะไะ ให้ไปนะน้ำตาไหลใจอ่อนมากปุทุภูเตสมาหิเตอนังคันเตอนนยชบปตเตสมาหิเตเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวนควรแกการงานใจ บ, บ่บบาบดิอมีฝุดนไอดสิทิถวถแม้มันขึ้นพอถ้าจะยมสวดอะพากนสวดได้ลูกหลานนอนไปเอาไปข่มให้มันจำ และบ้านเมืองเราจะเจเริญด้วยศิลธรรมพระสงฆ์ก็ควรจะเ อ, อ, อ, อาเอาเอาไชเพราะการสวดอย่างนี้มันมันจะช่วยให้คนฟังคนที่ยังไม่ตายมีสติมีสัมัชัญงะไม่ประมาณในการดำรงชีวิตเสรีมวามอาเชวกิจมาตะปังโกชัญญามะะนังสุเวความภาพเพียรในสิ่งดีงามเป็นกิจที่จะต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายวันพุ่งนี้ตื่นุบ คุณฟังเว้มีดหรอกผมงั้นคน่พูดได้เปนว่าื่อจะมองแทงบอจ้ะอันีดเอียงกุศลาธรมามุลาธรรมาปยกตาธรรมาสุขายมเรอไปแล้วจบธรามคุณละซ่องไปละิทินนั้นเสียดีุกอันนี้ซ่องกันทำไมได้จะได้กำไรทำสี่ประการห้าประการที่พูดนี้มีเกินกลนในพระไตรปิฎก โสตปริยังคะสังยุคในสังยุคนี้มีเจ็ดสิบสามส่วนในเรื่องเร็วกันนี้พูดแล้วผู้อีกเรื่องสัทธาสินสุตจะขัปัญญาบางทีก็ตั้งชื่อการทำเหล่านี้ว่าหมวดนี้ว่าสังคารูปรปฏิธรรมถ้ามันทำผู้ประพฤิปฏิปบัตินำไปสู่ความสำเร็จได้ไ ท, ทุกประการอยากเป็นพระโสดาบันก็เป็นได้ จะเป็นพระอนาคามีก็เป็นได้จะเป็นพระสกิทาคาเมก็เป็นได้จะเป็นพระอาหารหันต์ซึ่นาเกเรก็เป็นได้ถ้ามีธรรมะประกันมันมีอยู่บ้างอะไรตัวเบื้งและทําอันนี้ยังมีชื่อว่าธรรมะาโซธรรมะปริยาโยเป็นแว่นเป็นกระจกกระจกสะท้อนส่องดูเงาแห่งธรรมในชีวิตในจิตใจของเราจารู้ว่าเราจะตก น, นกรกในชาตินี้ ตายวันนี้เราจะได้ไปเกิดเป็นสเดชาชานไหมหรือว่าเราจะไปขึ้นสวรรค์หรือเราจะคืนมาเกิดเป็นคนอีกไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนคาวันนี้ไปทําหมอดวงมีชืาา่อว่าธรรมธาโซธรรมปริยาโยอาการคำโนอันตนาวาอันตนางพยากระยะพิสูจน์ทัหลายคำวันนี้เปรียบเสมือ น, นกระจกสะท้อนส่องดวงเงาเปรียบเหมือนธํามที่เป็นปริยานที่จะที่จะอธิบาย ขยายความไปใหงชีวิตของตนเองอาการคำโนอัตนาพระอัตนาพยาการ ะ, ะถ้าเธอป่าถนาอยากจะรู้เรื่องราวของตนเองเธอพึงพยายการตัวตัวของตัวเธอเองได้ด้วยทำํำระนี้ฟาดดาวรถของเราสิ้นแล้วเปรของเราสิ้นแล้วอสุรกายของเราสิ้นแล้วสารเานของเราสิ้นแล้วมีแต่มนุษย์กับเทวดาเท่านั้นที่เราจะต้องไปแน่ใจที่สุดเพราะไม่ทาเหล่านี้ไปเครื่อนตรวเครื่องวัด นักไปกว่านั้นอีกที่น่าจดหน้าจํนาจำน่ากระทําสอนพระอย่างพวกเราเนี่ยให้ไปสอนโยมเอาทำสี่สี่ประการนึงจะเอามาสอนวันนี้พมก็เลยถือเหนื่อยยังไงพงศ์ก็เอกมาประเทศที่ไหนก็ลืมมาได้พเพราะพระพุทธเจ้าวันไหนให้เราไปสอนเยเตยพิเกเวนุกับปยิยาธาเยจ่าโซตปะพามันเด ย, ยยงพิษสูทั้งหลาย ชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ยีจะโสตพังมันเยยงชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำั่งสอนได้ที่จะพูดกันรู้เรื่องได้มิตตาวามีกดก็ดียาติงว่ายากก็ดีสาโลหิตตาวาสายเลือดของตระกก็ดีอามะจาว่าอมานข่าราชาการทุกระดับก็ดี ที่พอจะรับฟังคำสอนได้โสตปริยังเคสุสมารถเปตะภาปฐามสมารถเปตะภาวิเนเศตะภาปิฏาเปตะภาเธอจงไปแนะนำพร่ำสองเขาให้เขาเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในโสตปริยังข่ารามทั้งสี่ประการนี้เซฟอยู่สมาทานโยเมื่อเธอทำเมื่อคนเหล่านั้นเข้าถึงทำสี่ประการนี้ได้ เธอก็เหมือนนำพระคุณชลเหล่านั้นปฏิฐานไว้บนสวรรค์เธอเปิดประตูนรกให้กแกเขาแล้วเรายังมองไม่เห็นการที่พิษโทในศาสตานนี้นจะพึงปการทําประโยชน์อันใดที่จะเลิกกว่า น, นี้ที่ว่าอาถจริยาประพฤติตนั้นเป็นประโยชน์อันเลิศแล้ยังมองไม่เห็นประโยชน์ใดจะเลิกกว่า น, นี้ประโยชน์ที่ทํามื่อขไม่มีสถานก็มีสถานผู้ใดมันแสดงทำแล้วแล้วเหล่าต่อบคุคคลผู้ไข่จะฟัง ผูม้มีสถัทาแสดงให้เขาเป็นสถัทาไม่มีศีลเขาเป็นศีลไม่มีจาระฆี่แตนีทีเหนียวให้เขารู้จักเสสละไม่มีปัญญาสอนให้เขามีปัญญาเ ข, าเ ข, าข้าใจโลกเขาจะชีวิตที่เป็นเก่งกวางท่าทีลงต่อโลกต่อชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์อย่างเข้าใจอย่างถูกต้องเราเห็นว่าการกระทําของเธอผู้นั้นคือเป็นการกระทําประโยชน์เอเลิรเอตทักคัง อัตชจริยานังนี้อะไรที่สุดทั้งหลายการกระทําประโยชน์อันเลิศยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใดถ้าเธอสอนพระผูชนทั้งหลายให้เข้าใจเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ได้เธอก็เหมือนนําพระผูชนเหล่านั้นประฏิฐานไว้บนสวรรค์เธอปีประตูอบายให้แกเขาแล้วเขาจะไม่มีโอกาสโตรนรกเป็นไปนเป็นสุรกาเป็นสัตว์าญยิ่งมากกว่านั้นฟังอีกนะที่เราบน่นนะ ตะบรดนะโดยเฉพาะพระนมเนโนรุ่นใหม่ยิ่งมากว่า น, นั้นถ้าบอกผู้ทีเจ้าพิสูจน์ทางหลายบคุคคลสองคนนี้เรามองไม่เห็นเลยว่าจะมีใครมีประโยชน์ดีเลิศหาได้ยากที่สุดในโลกนี้มีอยู่แล้วแล้วไม่รู้จะตอบบุญของท่านใดอย่างไรบคุคคลสองคนในโลกนี้คือบิดามารดาของเธอเป็นผู้มีมีพระคุณ มีคุณาประการพระ์การละา ม, มแก่เธอมากไม่มีใครจะยิ่งกว่าแต่เธอจะตอบแทนบุญคงของท่านได้อย่างไรการที่เธอจะเอามารดาบิดาของเธอนั่งไว้ในบาสสองข้างคนละข้างคนละข้างละคนให้ถ่ายอุจาระปัสสาวะลาดรถเพรา้งายๆพยาบาลระว่าให้ขี้ราเยียรถรยู่ในบานี้ตลอดการร้อยปี เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ํำให้อาบน้ำ ท, ท่านวันละสามครั้งป้อนข้าวป้อนน้ขาขาเมื่อวันละสามครั้งสามครั้งบีบนวดให้บันเทาเมื่อขอบท่าอยู่เย็นเป็นสงตลอดการร้อยปีจนท่านตายไปชื่อว่าต่อบบนแทนคนของท่านอย่างมากมายแต่ยังไม่คุ้มค่าสะสมกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านโภนะ รพระธรรมวิจพิกาให้ปัญาแต่กุลบุตรใดกุลธิาดาใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังมารดาบิดาผู้มีสินอันเลวทรามผู้ทุศิล์ให้มิให้มีศิลป์เว้นจากการทําชั่วทําพฤติกรรมทางกายทางใจบิดามารดาของเธอผู้มีมัจฉริยะมีความตนเองเธอนําบิดามารดาของเธอ ให้เป็นผู้มีจากะรู้จักจปลดปล่อยเส้อสละจังบิดามารดาพวกไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาสามให้มีปัญญาเข้าใจโลกเขาจชีวิตที่แท้เก่งวางท่าที่ลงถูกต้องในชีวิตในโลกจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละเธอที่ตอบทุนตอบบุญแทนคุณของท่านได้คุ้มค่าสาสมในโลกนี้ในชีวิตนี้เธอเหมือนนำบิดามารดาของเธอ ปฏิฐานไว้แล้วบนสวรรค์มีนะที่นี่สามเณีที่วัดเองขอดูสิที่ให้แกเดินแกเดินปังงัปังเงี้ยไม่สบประกอบเมื่อมีวันเสกขาวมาถึงแกแกแกลับบ้านนูน่นเสกหนังขนิคมประรับแม่เอาแม่มาปฏิบัติธรรมอยากให้แม่มีสถามีศีลมีใจข้ามีปัญญานี่เป็นน้ำใจของเธอนะประเสริฐนะเธอตอบบุญแทนคนของพ่อแม่ของเธอ เร่อนี้พระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะต้องตระหนักให้มากๆต้องศึกษารมิฉะนั้นจะขาดทุนอย่างเจะาดเรื่องทำศีระการเหล่านี้บางทีบวชมา20ปียังไม่รู้จะบุญคุณพ่อแม่เลยรทำใหพ่อแม่เสียน้ําหูน้ําตาก้มใจเป็นทุกข์เพราะการบุรุษ ป, ป, ปฏิบัติของลกูกทาลายบุรุลายท่านทั้งสองมันเข้นฆ่าให้ตายอยู่ทุตลอดเวลามันจะทั้งสองโยงงนนรกเมื่อก่อนผมมาสร้างวัดใหม่ ทาจากบ้านแพ้ไปนาเีมีบ้านหลังหนึ่งอยู่อยู่ระหว่างต่างทางอยู่ในป่าเคยผ่านไปผ่านมาก็แวะรู้จักแกดีแกก็เคยเคยจำเราได้วันหนึ่งผมผ่านไปผมผมถามพ่ออยู่ใกล้ๆว่าลุงคนนี้ไปไหนบอกไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปคุกไปตปทำามไปคุกมันมันหน้าไปนั่นหลยไปเยี่ยมลูก แสดงว่าลูกดึงพ่อแม่เขขงหกลูกบวชซึกงมาวันเดียวจบแล้วทำอีกพ่าพระธาตุเชิงชุมตะกลดครซึ่งมาได้ทําไงหน้าบ้านมันเป็นป่าไม่บ้านหลังดีเป็นป่ารถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถเดินมันผ่านไปนเขื่อไอ้หมอนี่มันมันไปเรียนมาจากไหนจบแล้วทำอีกไปกเอาไม้ไปสับปึกไปบังเป็นพุ่งไม้รถมอเตอร์ไซค์มาก็ลุกขึ้นเทนข่มไม แต่ไม่ลูกขึ้นดียน่งเป็นตีเขายิงเขาแต่ป้อนเขาเพราะว่าไปเจอตำรวจตำรวจมือดีนักมือเป่ามาเสียดายมันมันเห็นท่ามออะไรนี่มันคนไม่ดีเลย ม, ลกกมันก็ตีมาเลยมันก็หมอบมันขี่มันซะมันก็หมอบหมอบแล้วมันยิงสวนถูกแขนเกี่ยวแขนขาดยิงแล้วก็เอาเพื่อนมาจาับอีกไปเข้าคุกเมื่อลูกไปเข้าคุกแล้วพ่อจะอยู่ได้ไหมพ่อแม่ก็ตามไป เอาไเอนานาไปจำนอนไปประกันถ่ายลูกออกมาพ่อแม่ไม่เจอใจอเราเมื่อลูกอยู่ในคุกไม่อยากไปก็ต้องไปนี่การบวชของเธอช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ดึงพ่อแม่รงนรกเลยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเราวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของการบวชมัน คุณค่าจะได้กำไรได้ยืดื้อจะสวนป่าจะต้องมองไปที่ประเด็นและวัตถุประสงค์อันนี้ประเทศไทยจเจริญเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมของพุทธศาสนาการบวชแต่ดั้งแต่เดิมเขามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อหลบออกจากความวุ่นวายในครอบในครัวเพื่อไปแสวงหาสิ่งที่ดีที่สกในแก่ชีวิตเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเกิดความเส่ง ผู้พัสา์สมัยใหม่ว่าเซ็งอิสกังทำ ม, มังคระหามาโนบกคหลานั้นเบื่อหน่ายในทำของตนตนมันคว่าเบื่อหน่ายในภาวะที่ตนเองเป็นโยมอยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยคิดว่าหาในบ้านไม่ได้สมพาโทคารบาโซเป็นคารบ้านในขับแคบขยับไปเรื่อยยากการบวชเป็นเส้นทางอันโปรตรปอง อโพอกาโซประพิโตเป็นนักบวชนี่มันมันปลอดโปร่งมันกว้างขวางไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีปีกสองข้างเหมือนปลาที่ที่ว่ายไปนในสายชนมันนกปปเป็นมีไปในห้องฟ่าการบวชนาจะดีบวชแล้วมันจะคําว่าประชาประพิโตออกออกจากเรือนไปยังมันไปห า, หาหปนี่ไปไหนนั่นจุดจุดมายแต่ก่อนการบวชไปหาหาอะไรหาสิ่งที่ดีที่สุดที่หาในบ้านไม่ได้ กิงประโมทมอกิ่งโซ่ประโมท ม, มอะไรหนอดีที่สุดอะไรหนอดีที่สุดก็ได้นออกแก้วบ้านบุคคลล่านั้นจะมีชื่อว่าอิศิภาษาบาลีว่าอิศิภาษาทันงกี้ว่าลือศีภาษาไทยไม่ได้แปลเลยทับศัพท์ซอวลือศีหน่วยดาวไปลยแม้วลูกแรกคือลือีแต่หาสิ่งที่ดีที่สุด อีสีเปว่าพูดแสวงหาหรือสีไปว่าพู้สแสวงหามองเหนสัลรีสีโนยาวดอกไปนั่งคิดนั่งข้นอยู่ในป่าไม่มีลูกไม่ตา้ไม่มีใครมาเปลี่ยนไ ม, ม่มุ่นมาบ่าคิดจะไม่ได้ตัดหนอดตัดเว็บจะหนวดยาวให้ลูกเลยว่าสัลรีสีหนยาวอาหารก็หากินในป่าตามมีตามเกิดผลหมากรากไม้ตามการตามเวลาของเผือกหัวมัน เครื่องนุ่งของผมไม่สนใจจะหาอย่างที้ว่าอะไรดีที่สุดกิ่งโซ่ปลรมโอธรรมโ ม, ม, มะอะไรหนอดีที่สุดหนออะไรหนอะดีที่สุดเนานี่คือนักบวชนั่งคิดไปคิดมาเมือ่อหิวก็ไปหากินผลไม้ตามการตามเวลาตามฤดู ก, กาลมันมีแต่ผลก็ไปขุดเอาตามรากมันถอนออกมากินเครื่องนุ่งห่มก็เบือกเือกไม้ไปไม้ตามมีแต่เกิดแล้วก็มานั่งคิดหาใช้สมองใช้หัว หน้าวันนั้นดังมายุงมันกินเลือมันกินกอกมากาะไฟขึ้นนั่งไปนั้ำมาถ้าไฟอ่อนอยุงกินขึ้นมาอีกก็กาะไฟขึ้นจ้องแต่เฝ้ากองไฟนานๆเข้าสายตากขากอนไฟก็ได้เป็น s ั b j e c t m e d i t กองไฟเลยเป็นกสินกสินไฟเพ่งอยู่ทั้งปีทั้งชาติกวัวไฟจะมอดเดี๋ยวยุงจะ ก, กัดเรือจะกินพอจะมอดก็ประกอบนานๆเข้ามาดงไม่ต้องกาะมากเพ่งจนติตาเพ่งไปหาวาตัว น, นก็ุกปุ๊มกันเป็นสรดสีตาไฟได้ได้อป่าน่ย เก่งเลยว่าไปในการที่เราปวดอะไรถ้าจะไปไกลกว่านี้ทั้งคืนก็ไม่จบจะมีนักบวชลือศีโยคีดาบตมุนีโอ้มันเป็นระดับเป็นสเปกวันนี้เราจะไม่ลงรายละเอยียดไปนู้นแต่ย้อมมาถึงประเทศไทยที่เราบวชอยู่ในขนาดนี้ต่อมาสิทธัตถะราชกมุมาร แห่งแฟรนซ์ส ก, กัตคุงวิพัตอุบัติขึ้นในโลกก็มีความคิดเหมือนคนพว ก, กนั้นเหมือนกันก็เลยว่ากิงฟารโมทำโอไม่ยังน้อในมันดีกวนี่น้อเกิดมาคือมันถ่อมมาแก่มาเจมาตายขึ้นกันคือโมวันด้วยน่ะเหตุไดสิบบทถ่าหน่อยสิบบทบอบอตายก็นั่งคิดว่ามีเมือเม่อจะต้องมีแจ้งมีร้อยจะต้องมีเด็นมันต้องมีของแก้กัน ยิงออกไปเที th point, like è è er <She> like ่ยวป่าเที่ยวสวนไปเห็นคนนอนตายเห็นคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนป่วดสลดใจตายตายตายตายตายเขาคืเป็นคนในต้นนะคิดหาคิดว่าไม่ดีแน่ขี้อยู่ที่บ้านหาทางออกไม่ได้แก้ไขไ่ได้เห็นรูปนักบวชก็ภาพภุมิใจอ่อนซ่อนเอ็กซ์เเยชั่นอ่อนซ่อนดิเห็นนักบวชเดินมาสง่างามเราน่าจะไปอย่างนี้ดีกว่าไปค้นหาในป่าก็เลยออกบวชนี่ต้นตำรับของพวกเรานะออกบวชก็ไปเรียนจากพวก ฤๅษีมุนีโยโคยีดาวพวกเหล่านั้นจนสุดความสามารถสุดเบี่ยงสุดตรงทั้งสองข้างทั้งทรมานที่สุดทั้งสะดวกสะดวสบายที่ ส, ส, ส, สในที่สุดก็เห็นว่าไม่ใช่ทางของความหลุดพ้นจากผลจากความทุกข์ไปเรียนมาจากพวกฤๅษีอารารดาบุตรตาดาบุตรหนังฤๅษีพอจบจบ ก, ก็ไม่พ้นจากกิเลสเป็นทุกข์ก็เลยมาคิดอาหะ เ, เอง ก็เลยม า, มาเจริญสมาธิภาวนา่างเราคิดถึงสมาธิขึ้นมาตอนเป็นเด็กพ่อพาไปไถนาแรกนาขวัญเอาไปวางไว้ที่ต้นบ้า ช, ชามผู้ฉายาสีตสายาล้มเงาไว้มากไม่ว่าอันแสนจะเยือเย็นนางสนมพิ่นางพี่เลี้ยงของสิรีนางมาขับกล่อมโดนตีประคมแล้วก็มาฟ้อนมารำให้เห็น ถ้ามาหาโพธิสัตว์บอกว่าคงจะเบื่อหน่ายอยาจะคิดหาหาสิ่งจริงๆคือมีานานวาสนาหนาวาสนาเก่าท่านเองวาสนามันก็เกิดมาจากที่เราทําก็เลยบอกพวกเนุนอนลารีบอกอย่ามาบุ่นหวอย่ามาขับมาเกอมไป ไ, ปไว้ท่าก่อนให้อยู่ตรงนี้คนเดียวเพราะนั้นเขาก็สนุกเขาก็เห็นว่าดีไม่ต้องขับตรงขอ ง, ของเขาก็ไปนอนนอนใต้โลมานหนัะถ้าก็นั่งเฉยพอนั่งปั๊บวาสนาเก่ามันขึ้นมาไม่มีใครบอก เคยทำมาแล้วหลายภพบราชาติก็จ้องสติไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปนานสติจิงาว่าตัดสมัมมหังวิเวกเพรนัมสัมภูฐานัมพิสัมิโทโวิสตโตวะสมาโนอิบินาอานาปานสัตติสมาธทิพวนาพระวีตรากุลิกตาทิ่สุดทางหลายเมื่อก่อนเมื่อเราจะงไม่ตัดสร้จะเป็นโพธิสัตว์อยู่เราต้องไปอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธทิในลมหายใจเข้าออกนี่แหละที่เราส่วนหนังสือเรามีอยู่ผมไปหยิบ ทอปมาตรสุรสมุมามาแปรแปร100ปร้อยเป็นลวงเป็นโมอะไรนานาสารถานาบนาศิริมันไม่อยู่แห่งเดียวนะครับเกือบสิบโศกเราม า, มาร้อยใสกันแยกแยะแยกย่ยอยซอยแฉออกมาก็มาสอบมา ร, ร้อยแปรใสกันเสร็จแล้วท่านได้ตัดสู่ยิ่งมาชี้บอกทางแก่พวกเราพวกเราเรียนไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลองผิดลองถูกมีบุคคลต้นต้นแบบให้เราพอะยัดไปตั้งมาก แต่เห็นน้ำ้งเน่เดอกเติเป็นบริษัทานเหตเหตุพราะคืองัวพันย์คั่วพันยุทธ์อย่างพกอกอกกินก็มกินกิ็กินเทเ่เทเล่บริษันไเปหลังจากนั้นนักบวชก็เลยมีความสนใจมากนักบวชฝ่ายหึก็มาบวชกับท่านท่านก็สอนกลุ่มแรกก็คือลือีไปใจว่าขิดทั้ง้าเีมาบวชกับท่านท่านก็สอนจนม่รู้ทำต่อมาก็กลุ่ม ชาดินกลุ่มบริพาชกพระโมคคัลานะสารีบรนี่บ ร, ร, ร, ริพาชกบริพาชกเก่าเรียกว่าราณนบริพาชการพลูกน้องสองรห้าสิบคนที่เป็นนักบวชนอกศาสนาที่อว่าบริพาชกก็มาบวชมายมากหลาก ห, หลายกามมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวชาดินสามีน้องบริวาทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งเป็นพวงนังบยประเภทนับวประเภทชดินแสดงว่ามิตรนักบวดรุ่งกระโ ในช่วงพระเยทต้องมาบวชกับท่านก็รูธ้ธทำมมากเข้ามากเข้าก็ยุ่งหลายนิสัยหลายสันดานเอาของเก่ามาใช้กับในของใหม่ก็เลยม่วกถ้าเลยวางระเบียบวางระบบเป็นวิเนงจึงเกิดมีพระวิเนงมาควบคุมคนมันหลายระบบมาอยู่รบกันในปฏิโมกข์สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนอกปฏิโมกอีกห้าร้อยแปดสิบข้อโลกนี้จะมีกี่ข้อจ้ะลองเจรจากลายสิทีนี้ มาถึงพวกเราประเทศไทยได้รับพุทธศา ส, สนาพร้อมกันกับประเทศเราลูกแม่น้ำของลูกมน้ําเจ้าพระยามีชื่อว่าส่วนอภูมิตะวันออกและส่วนอภูมิตวันตกส่วนอภูมิตะวันออกชื่อว่าทวารวติประตูสวรรค์คือพวกคํามนานำนำศาสนาพาหขึ้นมากกาะก็มาขึ้นทำแม่น้ําเจ้าพระยา เขาเรยกว่าประตูสวรรด์แล้วจะไม่พอก็เดินไปจนสุดทางโอกตะวันออกเขาเรกว่าแผ่นดินแหลมเนี่แหลมอินโดจีนมันมันคงจะสุดเพียงแค่นี้มาถึงเขตแม่น้ํำคงเขาเรียกว่าโคตะพูระภาษาทันตกรีโคตะแปลว่าตะวันออกปูระไปมาเมืองเมืองตะวันออกฟัวร์ลันเป็นโนภูมิตะวันออกคือรุ่มแม่น้ำคงทางเจ้าพญาเป็นโซนภูมิตะวันตก พุทธศาสานาก็มาตามรอยของศาสนภาพรม์ปีพศ ส, สองร้อยสามสิบห้าประเทศไทยประเทศลาวประเทศขเขมน ล, ลุมนี้ก็ได้รับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจประจำชาติกลายเป็นสมบัติที่มรดกที่มีคุณค่าที่สุดและกลายเป็นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมจิตใจพัฒนาชีวิตในสังคมเกิดขึ้นก็เลยเกิดความรักความตถาคนา นอกจากรักแล้วถือว่าพุทธศาสนาเป็นของเราด้วยประกาศตัวเองเป็นพุทธมามกะเป็นเจ้าของพุทธศาสนานี้รักสุดซึ้งสุดหัวใจว่านเมืองเจริญเติบโตมาด้วยอำนาจพุทธศาสนาแม้แต่ภาษาที่เราพูดอยู่วันนีงก็เป็นภาษาของพุทธศาสนาภาษาบาลีภาษาทังเรกิจธนาคารนั่นภาษาบาลีได้ขนาดจะศึกษาภาษาไทยจะบอก ธนะไปวัทรัพย์อาคารไปวเรือนทนะอาคารมาต่อเป็นธน า, าคารไปวเรือนเป็นที่เก็บไว้ซึ่งทรัพย์น่ะกีฬาเนี่ยประปานงานประปานพระธรรมนินพพตเพราะเพราจริญพุทธศาสน า, ษ า, ษาจึงกลายเป็นมรดกอล้ำค่าในหัวใจของชาวพุทธและกลายเป็นมรดกของชาติต่อมาการบวชก็เริ่ม มิ่คุณไม่ิ่าขึ้นเห็นว่าถ้าได้บวชแล้วได้ฝึกหัดพัฒนาตามศีลตามธรรมตามคำสองพุทธศาสนาคนพวกนั้นได้รับการศึกษาศึกษาแล้วจะกลายเป็นคนสุขไม่ใช่คนดิบจึงเรียกคนที่บวชบวบแล้วศึกเรียกว่าทิศเขาให้เกียรติน้าที่แต่ไม่ใช่คำว่าบัณฑิตที่ฆ่าเราลายตาตานบาดดอกเรียแต่ทิศเรียกว่าบัณฑิตก็บอกงันเรีว่าบัณฑิตก็บเลยว่าทิศในนี้จะเป็นทิศหรือสะเป็นถุด ก็ว่าบวซิกบวชุ่นประวัติเป็นนางยูหู้นางยูท่ายนางยูดากงูกั น, นมาแม่ทิดเจ้าก็ไปกกพรไหว้ไปพ ร, ไปประบวได้สมาท่านสินหาบวบวเป็นทิพยวามันก็ชุดทุนตัวเ น, นาะเขายกย่องมากใครจะไปขอรูกสาวไขรเอยากได้โอ้ยบวเลียงเชี่ามาลเลยไบัทิพยันะแค่เนร ก, ก เรื่องจุมง่มเรงซุบมันเนี่ยเรืบองเสื้อเรื่งมันแน่เพราะว่ า, าการบวชเป็นดีกรีเป็นก้ตวินของชาวพุทธผู้ชายการบวชในประเทศไทยในนนปััจจี้